เรื่องที่2ตัวยุ่งได้ว่าแล้วว่าใจคนเรามันเป็นธาตุยุ่งคนที่มีใจจึงได้ชอบทำตัวเป็นตัวยุ่งแต่ยังไม่ได้แก้ความให้ขาวกระจ่างว่าทำไมใจตนจึงยุ่งถ้าจะหาความสงบให้ได้มากๆหน่อยแล้วก็ลงทุนลงแรงแต่น้อยผมก็ขอเสนอว่าขอให้เรามาตามดูอาการยุ่งของใจต่อไปอีก ดูให้กระชั้นชิดครับมันอยากยุ่งยุ่งไปแต่เราดูสักประเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจยุ่งเหมือนอย่างคนพูดมากนั่นแหละห้ามเท่าไหร่ไม่หยุดลองใครเขาจะพูดเรียนคำตามหลังให้ถีบยิบสิไม่ถึงสิบคำก็ปิดปากตัวเองได้ ว, ว่าแล้วว่าใจเป็นท่าชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ คือถ้าชนิดนี้มีปกติรู้อยากรู้ชอบรู้พลาดท่าเลยสอดรู้และอวดรู้ต่อไปอีกพูดง่ายๆคือนิสัยของใจทุกๆดวงอยากรู้เพราะตัวมันเองเป็นตัวธาตรู้อยู่แล้วก็เพราะมันอยากรู้นี่แหละมันจึงยุ่งใจอยากรู้อะไรใจมีทางรู้อยู่6กทางที่เรียกว่าทวาร6 ความอยากรู้ของใจมีอยู่หกทางคืออยากรู้รูปว่ารูปสวยหรือไม่สวยใครสวยกว่าใครคนน้องหรือคนพี่คนนี้หรือคนนั้นอยากรู้ว่าผ้าสีไหนสวยกว่าสีไหนลายไหนเข้าทีกว่าลายไหนใครทรงไหนอะไรรูปอย่างไรรวมความเบ็ดเสร็จว่าใจอยากรู้รูปก็แล้วกัน ทีนี้ในตัวร่างกายที่ใจครองอยู่นี้มันมีแต่ตามีแต่เครื่องดูแต่รูปที่จะดูมันก็ไม่มีอะไรน่าพิศวาสคิว้วคางตาแก้มที่น่าดูมันเกิดไปติดอยู่ที่ใบหน้าคนอื่นทั้งสิน้นนี่หนึ่งละที่ใจยุ่งยุ่งเพราะต้องหาดูรูปที่อยากรู้อยากรู้เสียงว่าเสียงปีจะเป็นอย่างไร เสียงกลองเสียงตแตรจะเป็นอย่างไรเพลงนั้นจะเพราะกว่าเพลงนี้หรือไม่สถานีวิทยุแห่งไหนเขาจะกระจายเสียงว่าอย่างไรคนคนนั้นถ้าเราได้คุยด้วยเขาจะว่าอย่างไรอยากรู้ไปเสียทั้งนั้นแม้แต่ใครเขาสรรเสริญนินทาว่าอย่างไรก็อยากฟังที่อยากฟังนั้นก็คืออยากรู้เสียงแต่ทีนี้ ในร่างกายที่ใจครองอยู่นี้มันมีแต่หูคือมีแต่เครื่องฟังส่วนเสียงที่จะฟังในตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าสนใจไม่ว่ามันจะดังออกมาทางไหนก็เท่านั้นเองสู่เสียงที่ออกมาจากคนอื่นไม่ได้น่าสนใจกว่าแม้แต่เสียงกระซิบกระซาบคะคะขาขาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ยังน่าสนใจกว่าเสียงตัวเองนี่ก็ยุ่ง ยุ่งที่ต้องหาฟังเสียงคนอื่นยุ่งที่อยากจะมีเครื่องวิทยุรับฟังเสียงยุ่งที่อยากจะมีเครื่องเล่นจานเสียงและอื่นๆยุ่งแน่ๆอยากรู้กลิ่นว่ากลิ่นไหนจะเป็นอย่างไรกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้าหอมและกลิ่นจิปาถะที่ตัวชอบแต่ทีนี้ในตัวที่ใจครองอยู่นี้มันเกิดมีแต่เครื่องดมกลิ่นส่วนตัว กลิ่นที่จะดมให้ชื่นใจในตัวไม่มีเลยเรื่องกลิ่นคนก็รู้อยู่แล้วไม่ว่ามันจะฟุ้งออกมาจากตรงไหนในตัวไม่เป็นท่าทั้งนั้นใจก็เลยยุ่งเที่ยวหากลิ่นมาดมหรือไม่ก็เที่ยวหาดมกลิ่นแย่อีกอยากรู้รสว่ารสผักจะเป็นยังไรรสไก่จะเป็นยังไงรสหมูรสวัว รถปลาจะเป็นยังไงรถเครื่องนอกของมันกับรถเครื่องในของมันไหนจะแน่กว่ากันแล้วถ้าเอามันแกงเอามันยำเอามันลาบและอื่นๆมันจะวิเศษแค่ไหนอยากรู้อยากรู้จนกระทั่งว่าเนื้ออีเก่งเนื้อกวางในดงในป่าจะเข้าทีไหมนี่แหละครับสัญญาณอยากรู้ของใจ ยิ่งถ้าไปนั่งตามเหลาใหญ่ๆแถวยาวราชเจริญกรุงดูรายชื่ออาหารเข้าสิคนเรานี้อยากรู้รสซอกแซกแปลกประหลาดเสียจริงอาหารบางอย่างเราเองก็ไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะมีคนอยากกินอย่างเช่นไส้หมูยัดเนื้อกระต่ายแล้วก็ห่อหนังเป็ดทอดน้ำมันหอยฟังแต่วิธีทำก็ปวดหัวเต็มทีแล้ว นี่ก็ไม่แน่ว่าผมจะมาถูกหรือเปล่าแต่เคยรับเลี้ยงมาแล้วด้วยความขบขันดีว่าวันนั้นไปรับประทานกับคุณหมอประสบผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลประสาทจึงไม่ค่อยกลัวเป็นโรคเส้นประสาทเพราะจำชื่ออาหารพิลึกที่ว่านี้ที่เล่าสู่กันฟังว่าความอยากรู้รสของใจมนุษย์มันวิทยฐานแค่ไหนแล้อย่างนี้ไม่ยุ่งจะไปยุ่งเมื่อไหร่ ในตัวเราก็มีเครื่องในตับไตไส้พุงออกเต็มท้องแต่มันก็ไม่น่าสนใจเหมือนเครื่องในหมูเครื่องในวัวยิ่งถ้าเป็นวัวป่าหมูป่าก็ยิ่งน่าสนใจเป็นพิเศษอะไรก็ไม่รู้อยากรู้สัมผัสว่าเสื้อผ้าเนื้อผ้าดีๆนั้นจะใส่สบายตัวแค่ไหนลมชายทะเลนั้นจะพัดเย็นดีสักกี่มากน้อยอาบน้าตก จะเป็นสุขกวัวอาบน้ำในตุ่มหรือไม่แล้วก็การแตะต้องเสียสีเนื้อหนังของคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรใจของคนเราอยากรู้สัมผัสเสียจริงๆแต่สัมผัสที่ใจชอบในตัวเราก็ไม่มีอะไรจับข้อมือตัวเองวันยังค่ำก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจไม่เหมือนกับเวลาจับข้อมือใครคนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ใจก็เที่ยวสายไปหาสัมผัสมาแต่ต้องเพื่อตัวจะได้รู้นี่ก็ยุ่งอีกสิ่งที่ใจอยากรู้ลำดับสุดท้ายคืออารมณ์ใจทุกดวงอยากรู้อารมณ์ทั้งนั้นเว้นแต่ใจพระอระหันต์อยากรู้สิว่าถ้าคนนั้นเขาบอกว่าเขารักเราเราจะมีความสุขแค่ไหนถ้าคนเขาชมเราละ่ะใจเราจะเบิกบานกี่มากน้อย ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งสักทีจะเป็นยังไงใจนั้นสายอยากจะรู้อารมณ์วันยังค่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนแต่อารมณ์ที่ใจอยากรู้นี้ก็อีกแหละส่วนมากต้องมีคนอื่นสร้างให้ความรักก็ต้องมาจากคนอื่นพอใครคนหนึ่งกระซิบบอกว่ารักคําเดียวก็มีริษอยู่ตั้งเดือน ที่ตัวเองบอกรักตัวเองสักร้อยคำพันคำใจก็เฉยๆการสรรเสริญเยินยอและอารมณ์ทั้งหลายอื่นก็เหมือนเหมือนกันมาจากคนอื่นเสียทั้งนั้นเมื่อใจอยากรู้อารมณ์ใจก็ต้องวิ่งพี่นอพิ่เทาคนนั้นคนนี้อ้อนวอนงอนง้อให้เขารักเที่ยวประหล่อให้เขาชมมันก็เลยยุ่งรวมความว่า ใจคนเรานี้มันเป็นธาตรู้มันอยากรู้อยู่ในตัวเป็นอาจินแล้วเรื่องที่อยากรู้ก็มีอยู่หเรื่องแต่และเรื่องมาจากคนอื่นแทบทั้งสิน้นใจก็เลยยุ่งวันยังค่าลาพังตัวเราคนเดียวก็ยุ่งเต็มตัวอยู่แล้วแถมยังมีตัวยุ่งมาเกาะ อ, อีกหลายตัวได้เมียหรือผัวมาคนหนึ่งก็คือตัวยุ่งมาตัวหนึ่ง ได้ลูกมาอีกกี่คนกี่คนตัวยุ่งทั้งนั้นลูกจ้างลูกน้องคนอาศัยและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนแต่ละคนยุ่งมาเต็มตัวแล้วทั้งนั้นหานคอยาวนั้นลำพังตัวเดียวก็ร้องจนแสบแก้วหูอยู่แล้วถ้าเกิดหานกับหานมันมารวมพวกกันเข้ามันก็ยิ่งทำให้โหนหูมากขึ้นมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันหนึ่งคนก็หนึ่งยุ่ง ถ้าสองคนก็คือยุ่งบวกยุ่งเท่ากับยุ่งยุ่งไม่ยุ่งจะไปไหนพ้นทางสงบในเรื่องนี้อยู่ที่การลดความอยากรู้ของใจลงเสียบ้างต่างคนต่างลดใครลดได้คนนั้นก็สงบได้แต่เนื่องจากใจเป็นธาตุรู้อยู่แล้วการลดความอยากรู้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก วิธีปฏิบัติเบื้องต้นของทางศาสนาทะเลสอนให้ใช้วิธีสำรวมคือระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นในวงเล็บปากระวังกายและระวังใจหมายความว่าใจมันอยากรู้ช่างมันเชิญแกรู้ไปแต่เราเอาสติคอยระวังตรงช่องทางที่มันจะไปรู้หกทางนั้นให้ได้ ถ้าใครอยากรู้อะไรก็ให้สติคอยทักเอาไว้ทักเข้ามากๆก็กระดาบไปเอง